คุณผู้ฟังคะผีปอบเนี่ยเรียกว่าเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณสายมนดําแล้วก็เข้าตัวค่ะโดนครูบาอาจารย์สาปแช่งจากคนธรรมดาก็เลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวไปเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของเทาวของโสมมในตามชนบทไกลๆนั้นนะคะบางครั้งบางคราวค่ะผีปอบนี่มันจะสามารถเข้าไปกินควายได้เลยนะโดยทําให้ควายทั้งตัวเนี่ยล้มทั้งยืนและขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากจะกินควายแล้วค่ะผีปอบนี่ยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นๆแล้วก็ยังกินคนได้ด้วยเล่าว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงแค่คนเดียวมีผีปอบมาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึง7ตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนต่างจังหวัดนะคะ หลวงปู่กาหลงค่ะนอกจากท่านจะเก่งในเรื่องของการสักยันหนังเหนียวแล้วก็ทําเครื่องรางของของลังแล้วเรื่องปราบผีปอบ น, น, นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาสําหรับคนแถบปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วเรื่องนี้นะคะผู้เขียนเองก็ได้ฟังมาจากสิทธิ์ของท่านเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนปอบเข้าเนี่ยก็จะถูกลากมาที่วัดทีนี้เมื่อปอบเข้ามาในเขตวัด ก็มักจะแสดงอาการกลัวเกรงบารมีของหลวงปู่ทันทีค่ะตามปกติหลวงปู่ท่านจะใช้น้ำมนไล่มันก็ไปแล้วแต่ว่ามีบางครั้งที่ผีเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยนะคะท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอเคาะไปตามร่างกายแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจคือหลวงปู่กาหลงเนี่ยท่านจะมีกระดอกไม่ผ่ายอยู่หนึ่งอัน โดยจะอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าของคนที่ถูกผีปอบเข้านะคะหลวงปู่ท่านจะทำการเคาะไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งเท้านี่แหละท่านบอกว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านก็นำเอาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีนะคะใครที่เคยไปวัดเขาแหลมคงได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างแล้ว ผู้เขียนสอบถามจากหลวงปู่ท่านค่ะว่าแล้วกระบอกไม่ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีปอบบางตัวนะที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมลดละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้กระทามา หลวงปู่ท่านเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยไปปราบผีปอบตัวหนึ่งเป็นตัวครูเลยแหละอยู่แถวเขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันมีชื่อว่าปอบอีเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นปอบพันปีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสต ร, ร์แล้วของเนี่ยเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งให้ไปกลายเป็นปอบไปนะคะ มีหมอผีต่อหมอผีที่ไหนที่บอกว่าเก่งๆมาปราบมันโอ้ปอบอีเขียวเนี่ยปราบหมอผีได้หมดเลยหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายเลยก็มีบางคนก็กระเจิงไปด้วยฤทธิเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละค่ะปอบตัวนี้นี่มันปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกกระเจดิดกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครที่ท่องคาถาอะไรมันท่องได้หมดรู้จิตคนได้ด้วย ใครคิดอะไรมันรู้มันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วในที่สุดค่ะชาวบ้านที่ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็นิมนต์ท่านไปปราบท่านบอกว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านไปเนี่ยมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะว่ารู้กิติศรรัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นว่าท่านมามันก็ด่าท่านเลยขนาดหัวงอกมันยังไล่เตะกระเจิงมาแล้วเนี่ยหัวล้นเพิ่งจะมาบวชจะไหวเหรอท่านบอกว่าพอถึงที่นี่เท่านั้นแหละ ท่านไม่ทำน้ำมนตเหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านเตะปอบตัวนั้นก่อนเลยจากนั้นก็หยิบไมเรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกได้ว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้พีปอบตัวนี้มันก็เลยตั้งตัวไม่ได้จริงๆค่ะแต่มันก็ไม่ออกนะมันมึนมากต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกค่ะ ในที่สุดท่านก็เลยต้องใช้อํานาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านที่นําหัวนิ้วโป้งเนี่ยแตะที่เขี้ยวแก้วแล้วก็ลองจับที่หัวคนไข้โอ้เท่านั้นแหละนะคะคุณผู้ฟังปอบอีเขี้ยวที่ว่าพันปีหมื่นปีในดินพลานเลยที่สุดมันก็ทนไม่ไหวก็ออกจากร่างคนคนนั้นไปก่อนออกไปค่ะมันยอมบอกชื่อของมันมันบอกว่ามันชื่อเขียวมันไม่กลัวใครไม่เคยแพ้ใครแต่มันเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงนี่แหละ พอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงก็รู้ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกมันเข้าสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนปอบอีเขียวหลอกอยู่บ่อยครั้งนะท่านบอกว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นซะก็ไม่มีใครกล้ายุ่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังครับปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ย์เพทุบายค่ะท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกปอบเข้าพวกญาติญาติก็พากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดมันก็ออก พอคนหายเป็นปกติพวกญาติก็วางใจว่าหายแล้วมันก็ก็เอาญาติพี่น้องตัวเองกลับบ้านปอบตัวนี้ที่มันรออยู่หน้าวัดเนี่ยพอออกจากวัดเท่านั้นแหละมันก็เข้าสิงสู่เหมือนเดิมก็ต้องลากกลับเข้ามาใหม่หรือว่าหาของเส้นพวกอาหาของมาป้องกันนะคะเช่นพวกสายสินเสกตะกรุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ปอบถึงไม่กล้ามากวนนะคะ คนที่ถูกปอบเข้าสิงเนี่ยจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดค่ะเพราะว่าพลังชีวิตหายไปที่สำคัญนะคะคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆนะแต่ว่ามันแอบกินอวัยวะภายในของคนด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายเวลาตายจะเน่าทันทีเพราะว่าในความจริงคนคนนั้นตายมานานแล้วแต่โดนปอบสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงค่ะ สมัยก่อนต่างจังหวัดเนี่ยมีปอบเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มี ว, วัวมีควายให้ปอบกินผีมันก็เข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนนะเกิดจากปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาก็ไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้เยอะเลยเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสก็หาของดีกันไว้ดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยนะคะ ขอบคุณที่มาจากทีนิวส์ค่ะเป็นเรื่องราวที่บีขออนุญาตนาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเรื่องการปราบผีปอบชั้นครูของหลวงปู่กาหลงหน่าเรียกว่าเป็นการปอบปราบชั้นครูที่ดุเดือดเผ็ดมันก้าวขึ้นไปบนบ้านด้านี่คือเตะเปรี่ยงเขาให้ไม่ทันให้ปอบตั้งตัวเลยทีเดียว สำหรับหลวงปู่กาหลงเตชะวันโนอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งวัดเขาแหลมอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วลูกศิษย์ลูกหามักเรียกขานท่านนะคะว่าหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วด้วยความที่ว่าท่านเป็นพระเถราจารย์หนึ่งเดียวที่มีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปาก ชาติภูมิเกิดในสกุลนงนุษค่ะเมื่อวันที่10มกราคม2461ีอปีมะแมโดยเป็นชาวเพชรบุรีโดยกำเนิดก่อนที่ครอบครัวจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทสีมาวัดนาบุญจังหวัดปทุมธานีโดยมีหลวงพ่อช้างที่วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชาจารย์นะคะ ทั้งนี้ก็ได้เริ่มเรียนวิชาวิทยาคมจากพระเกจิชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญหลวงปู่ทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนคนปรปฐมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีพระอาจมงคลมุนีสนวัดสุทัศน์กรุงเทพและศึกษาวิชาสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอีกด้วยค่ะ สำหรับวัตถุมงคลที่สร้างไม่ว่าจะเป็นผ้ายันนารายทรงครุฑพระผงรูปรูปเหมือนนั่งเสือแล้วก็พระปิดตาหลวงปู่กาหลงเหรียญหนุมานขี่สิงห์ปี2547เหรียญเสมารูปเหมือนหลวงปู่กาหลงเป็นต้นนะคะหลวงปู่กาหลงค่ะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่เคยเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งยิ่งใหญ่ ในพิธียีพุทธศตวรรษที่ท้องสนามหลวงและพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีการประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยส่วนตัวแล้วนะคะหลวงปู่กาหลงเองท่านก็ชอบสันโดษรักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีเมตตากรุณาจนเป็นที่นับถือแก่บุคคลทั่วไปท่านอุปถัมภ์วัดหลายแห่งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ประกอบาศาสนกิจของพระภิกษุสัมเนรสืบทอดพระพุทธาศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สำหรับบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่กาหลงถ่ะท่านมีอาการอาภาษเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2552หลวงปู่กาหลงเนี่ยเดินทางมารักษาอาการที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนแขวงสาเสนในเขตพญาไทกรุงเทพด้วยอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ไอแต่ว่าก็เป็นเป็นหายหายมานานค่ะต้องเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดสระแก้วเป็นประจําหลังคณะแพทย์ตรวจพบอาการมะเร็งในลําคอจึงขอให้งดภารกิจและก็พักผ่อนมากๆ แต่ว่าท่านก็ยังคงปฏิบัติศาสน ก, กิจดังเดิมจนกระทั่งวันศุกร์ที่11กันยายน2552หลวงปู่เกิดอาการอ่อนเพลียคณะสิทธิ์ก็ได้พาหลวงปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลทันที แต่ว่าอาการผงหนวงปู่กาหลงค่ะยิ่งสุดหนักลงประกอบกับร่างกายของท่านไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอายุมากแล้วยิ่งทำให้อาการสุดหนักลงตามลำดับแม้คณะแพทย์ได้พยายามรักษาท่านอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถยื้ออาการไว้ได้จึงมรณภาพในที่สุดท่ามกลางความเศร้าสลดของคณะสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชน เมื่อกลางดึกของวันที่13กันยายน2552เวลาตี19นาทีที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนโดยสิริรวมอายุได้92ปี7 2พรรษา